กรณิธพรรัตนสุวรรณขอเสนอรายการธรรมะจากหนังสือโลกทิพย์ภาคหนึ่งซึ่งอาจารย์สิริพุทธสุขได้แปลจากหนังสือฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Life in the World unseen เรียบเรียงโดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียจากคำบอกเล่าของบุคคลที่ตายไปแล้วและได้มาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ได้ประสบในโลกทิพย์ให้ฟังซึ่งอาจารย์พรรัตนสุวรรณ ผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่ม น, นี้ได้กล่าวถึงหนังสือนี้ไว้ในคํานําของผู้จัดพิมพ์ตอนหนึ่งว่าหนังสือนี้แม้จะพิมพ์ออกมาแล้วหลายครั้งก็ปรากฏว่าไม่พอเพียงแก่ความต้องการของผู้ที่สนใจในทางนี้ข้าพเจ้าก็ประหลาดใจเหมือนกันที่มีคนสนใจในเรื่องนี้มากเกินความคาดหมายสาเหตุที่คนสนใจในเรื่องนี้มากก็เพราะ 1. หนังนนสือเรื่องนี้อ่านสนุก เหมือนหนังสือนวนัิยายสองข้อความที่บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้แม้ผู้อ่านจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องไม่จริงแต่ก็มีเหตุผลมากมายที่ชวนให้เชื่อว่าน่าจะเป็นจริงตามที่ได้บรรยายไว้สามสำหรับบุคคลที่มีพื้นความรู้พอที่จะเชื่อเรื่องนี้เมื่ออ่านแล้วจะมองเห็นประโยชน์จากหนังสือเรื่องนี้ได้อย่างมากมายเช่น ทำให้ไม่กลัวตายทำให้ไม่เป็นโรคหวมตัวเองและทำให้มีกำลังใจในการละความชั่วประพฤติความดีเพื่อเห็นแก่ความดีเป็นต้นสำหรับตัวข้าพเจ้าที่สนใจในหนังสือเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เพราะผู้เขียนคือมิสเตอร์แอนโทนีบอเจียนั้นเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์แต่ข้อความที่เขียนบรรยายไว้ในหนังสือเรื่องนี้ กลับมาสนับสนุนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาอย่างมากมายและยิ่งกว่านั้นข้อความในหนังสือเรื่องนี้ในส่วนที่เป็นหลักวิชานั้นได้ตรงกับหลักธรรมในหนังสือพระไตรปิฎกของเราเกือบจะทั้งหมดได้ตรงกับข้อเท็จจริงหลายอย่างที่ข้าพเจ้าค้นคว้าได้ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสนใจต่อหนังสือเรื่องนี้มากเป็นพิเศษเมื่อเดือนมกราคมต้นปีนี้ ข้าพเจ้าได้พิมพ์หนังสือเรื่องโลกทิปเป็นวิทยาฐานเป็นจำนวนหนึ่งพันเล่มในการพิมพ์ครั้งนั้นข้าพเจ้ายังไม่รู้แน่ว่ามิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ติดต่อกับท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันได้อย่างไรต่อมาหลังจากที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ขึ้นแล้วข้าพเจ้าก็ได้มีจดหมายถึงมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเรื่องนี้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 ในหนังสือที่ท่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในโลกของโอปปติกาจึงมีผิดพลาดมากมายหลายแห่งท่านมีความเสียใจที่ได้สร้างความเข้าใจผิดให้แก่มนุษยชาติท่านั้นเมื่อท่านได้พบโลกของโอปปอติกะด้วยตนเองและได้ศึกษาจนกระทั่งมีความเข้าใจดีพอสมควรแล้วเมื่อมีโอกาสจึงได้มาติดต่อกับมิสเตอร์แอนโทนีเพื่อที่จะบอกเล่าถึงความจริงต่างๆ ในเรื่องโลกของโอปปวติกะให้คนทั่วไปเข้าใจถูกต้องพร้อมทั้งได้พนาณาถึงความยากลําบากในเรื่องการติดต่อกับมนุษย์ไว้อย่างน่าสรรเสริญในความพยายามของท่านเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและหาได้ยากยิ่งเรื่องหนึ่งอนหนึ่งข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ณที่นี้ด้วยว่า ข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อไปทุกตัวอักษรและทุกข้อความตามที่กล่าวไว้ในหนังสือเรื่องนี้เพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าบางคนแม้จะมีความสามารถในการติดต่อกับโอปปปฏิกาตได้ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถรับถ่ายทอดได้ถูกต้องเสมอไปและยิ่งกว่านั้นโอปปปฏิกาตที่มาบอกก็ไม่ใช่ว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงไปเสหมดทุกอย่างบางอย่างก็ อ, อาจจะบอกด้วยความเข้าใจผิดข้อเอง เรื่องราวต่างๆในทำนองนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนแม่นานแล้วแม้แต่โอปปปฏิกาตชั้นสูงคือชั้นที่เป็นครุมหรือเป็นเทพเจ้าถ้าหากไม่ใช่เป็นอริยบุคคลก็ยังมีทางเป็นมิจฉาที่ถีดได้เรื่องทำนองนี้มีปลากวบ่อยๆเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรื่องที่ท่านโรเบิร์ติวเ็นสันํามาบอกมิสเตอร์แอนโทนีนั้นแม้ว่า มิสเตอร์แอนโทนีจะรับถ่ายทอดมาอย่างถูกต้องกล่าวคือท่านบอกมาอย่างไรก็บันทึกไว้อย่างนั้นไม่ตัดต่อหรือต่อเติมจากความคิดของตนเองโดยก็ตามก็มีทางที่จะผิดได้เพราะท่านโรเบิร์ตกิวเบนสันยังไม่ใช่เป็นสัมพันธ์อยู่ในเรื่องโลกทิพย์ความหวังของข้าพเจ้าในการเสนอเรื่องนี้ขึ้นมามีอยู่แต่เพียงว่าต้องการให้ข้อคิดสาหรับนักศึกษาในปัจจุบันว่า คนที่ตายไปแล้วนั้นไม่ใช่ศูญย์สิ้นไปเลยเพราะยังมีชีวิตอยู่และมีอยู่อย่างสมบูรณ์ด้วยความดีความชั่วที่เราทำไว้ไม่ศูญย์สิ้นไปไหนซึ่งหลักอันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาแท้ๆท่านที่ต้องการอยากทราบรายละเอียดก็ขอได้โปรดอ่านจากหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงเพราะฉะนั้นถ้าลองคิดดูให้ดี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 แม้เดิมจะมียศตำแหน่งในทางโลกอยู่บ้างแต่บัดนี้แต่ละทิ้งสิ่งสมมติเหล่านั้นมาแล้วโดวยสิ้นเชิงเพราะบรรดายศฐานบรรดาศัก์ทางโลกทั้งหลายนั้นเรานำติดมาด้วยไม่ได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากการแตกสลายหองร่างกายแล้วสิ่งที่จะนำติดมาได้มีอยู่อย่างเดียวคือสภาพแห่งจิตของเราเท่านั้นท่านมีจิตอยากหรือประนีตเพียงใดก่อนแต่มรณกรรม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 ชีวิตของข้าพเจ้าในสมัยเมื่ อ, อยังคลองกายเนื้อนั้นก็มีทั้งความสบายและความลำบากเป็นคนละอยางข้าพเจ้าไม่เคยได้รับความลำบากเกี่ยวกับความยากจนก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ทำความเพียรในการศึกษาและในทางจิตมามีแช่น้อยนิสัยของข้าพเจ้าเป็นคนชอบในทางาศาสนามาตั้งแต่ยาววัยจึงไม่เป็นการประหลาด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 ก่อนน่าจะถึงกำหนดมรณะนั้นเขาพเจ้าเองก็มีความรู้สึกอยู่ว่าว่าระสุดท้ายของตนกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะในขณะนั้นเขาพเจ้ากำลังนอนเจ็บอยู่บนเตียงรู้สึกมีความหนักทึ่งในจิตใจเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับง่วงนอนหลายครั้งเขาพเจ้ารู้สึกคล้ายๆกับว่าตนเองกำลังลอยออกไปแล้วก็ค่อยๆลอยกลับเข้ามาใหม่เขาพระเจ้าเชื่อว่า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 แบบที่เรายกให้เป็นของเทวดาสวมอยู่เป็นหน้าเพราะข้าพเจ้าก็เชื่อว่าตนเองคงยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นเทวดาได้อย่างแน่นอนตอนนี้เองเข้าพเจ้าเริ่มหัวนวระดึกถึงความรู้เก่าๆ เ, เกี่ยวกับโลกทิพย์ที่เคยค้นคว้ารวบรวมมาปพืติดประต่ อ, อ ก, กันเข้าในสมัยเมื่ อ, อยังเป็นมนุษย์ข้าพเจ้ารู้ทันทีว่าบัดนี้ข้าพเจ้าได้ตายแล้วแต่ก็รู้อีกว่า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 ข้าพเจ้าก็เห็นเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งซึ่งเป็นนักบวชเหมือนกันแต่ได้มาสู่โลกทิพนี้ก่อนข้าพเจ้าประมาณสองหรือสามปีเราได้ทักทายปราสายกันด้วยความยินดีและข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่าเขานุ่งหมได้เสื้อผ้าแบบเดียวกับข้าพเจ้าเหมือนกันในระยะแรกๆข้าพเจ้าปล่อยเขาเป็นผู้พูดใช้เป็นส่วนมากเพราะข้าพเจ้า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 เพื่อนของข้าพเจ้าก็ดูเหมือนจะรู้ความจริงข้อนี้ดีขณะแรกที่ข้าพเจ้าเริ่มเอ่ยปากพูดนั้นข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่าเราพูดกันตามปกติเช่นที่เราเคยกระทํากันในโลกมนุษย์นั่นเองคือเราพูดกันด้วยอาศัยหลอดสายเสียงในลำคอเหมือนกันในที่สุดเพื่อนของข้าพเจ้าก็บอกให้ข้าพเจ้าเตรียมตัวคอยรับสิ่งที่แปลกประหลาดน่าชื่นชมยินดีมากมายหลายอย่าง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 คือโดยใช้ขาเดินต่อจากนั้นเขาจึงบอกให้ข้าพเจ้ายึดแขนเขาไว้ให้นั่นและไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นอันหนึ่งข้าพเจ้าจะหลับตาเสียด้วยก็ได้ในทันใดนั่นเองพอข้าพเจ้าจับแขนเขาและหลับตาก็รู้สึกว่าตัวลอยขึ้นเหมือนกับความฝันฉะนนั้นผิดกันก็แต่ในขณะ น, นี้มันเป็นความจริงที่สุดการเคลื่อนไหวโดยการลอยนี้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 อย่างที่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบรรยายให้เห็นได้ว่าเรียบร้อยและสวยงามเพียงใดไม่มีย่ารกหรือเท้าวันต่างๆให้เห็นเลยในบรรดาดอกไม้เหล่านั้นเมื่อข้าพเจ้าตรวจ ด, ดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็กล่าวได้ว่าไม่เคยเห็นมีดอกไม้ที่ใดๆในโลกมนุษย์ที่ออกดอกบานซ้อพรั่งกันอยู่อย่างมากมายและสวยงามเช่นนี้เลยจริงอยู่บางอย่างก็เป็นดอกไม้ซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกัน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 ข้าพเจ้าก็ไม่มีความรู้ในทางดนตรีมากพอที่จะสามารถบรรยายให้ท่านเห็นจแจ้งแจ้งโดยอาศัยเทคนิคของวิชาดนตรีเป็นหลักได้ดังนั้นจึงไม่สามารถพร น, นาความกลมกลืนกันของสีและเสียงที่กล่าวมาแล้วให้มากไปกว่า น, นี้ได้สรุปความว่าไม่ว่าจะเหลียวมองไปทางใดข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีแต่ความเจริญตาเจริญใจหาสิ่งที่ขัดในตาไม่ได้เลย ตลอดเวลาที่พระเจ้าเดินไปตามทางในสวนนั้นเราได้เดินไปบนหญ้าซึ่งอ่อนนุ่มจนทําให้รู้สึกเสมือนว่าเรากาลังเดินอยู่บนอากาศฉะนั้นในบริเวณยังมีต้นไม้หลายพันืึอนเรียงรายอยู่โดยรอบทุกต้นเราจะไม่เห็นความคดงอบิดเบี้ยวจนเสียรูปทรงดังที่เรามักจะเห็นกันอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเลยทุกต้นงอกงามสมบูรณ์ไม่มีอันตรายเกิดจากลมพายุ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 ข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นคำที่ตื้นเกินจนไม่สามารถจะบรรยายให้เห็นสภาพบันแท้จริงในขณะนี้ได้เลยในที่สุดเราก็มานั่งพักกัน<ม>อยู่ใต้ลงไม้ใหญ่แห่งหนึ่งหน้าที่นี้เราจะเห็นคิวไม้เขียวสด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 เราบุคคลเพื่อดำเนินชีวิตอยู่อย่างสดชื่นรื่นเริงก็ดีล้วนเป็นผลของกรรมที่เขาได้สะสมไว้ในอดีตแล้วทั้งสิ้นในระหว่างบุคคลเหล่านี้เราจะเห็นแต่ละท่านมีทัศนะในทางศาสนาต่างๆกันเช่นเดียวกับเราเมื่อครั้งท่านเหล่านั้นยังเป็นมนุษย์อยู่ทางนี้พ่าในดินแดนแห่งนี้ทุกคนมีสิทธิเลือกเชื่อได้ตามมติที่ตนชอบสภาพแห่งจิต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 สมควรจะเคลื่อนตนเองขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นหาที่นี้ไม่มีการบังคับให้ผู้นั้นผู้นี้นับถืออย่างนั้นอย่างนี้และมีโบทไว้ให้ผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบัติต่อไปได้ตามเดิมตลอดเวลาเหล่านี้ข้าพเจ้ารู้สึกข้องใจยอยู่อย่างหนึ่งว่าคือรู้สึกอยากทราบเป็นอย่างยิ่งว่า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 เมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ท่านเหล่านี้เมื่อกายทิพย์แยกออกเจากสรีรากายมาอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็สามารถทำงานที่ตนถนัดต่อไปได้ด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นเพราะไม่มีเครื่องถ่วงให้ขัดข้องต่างๆดังเช่นในโลกมนุษย์หน้าที่นี้ทุกท่านจะทำงานด้วยใจรักในงานนั้นจริงๆความสุขของชาวโลกทิพย์อยู่ที่การทางานให้สาเร็จตามที่ตนสามารถ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 ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ายัางปราถนาจะให้มีสวนอยู่ที่นั้นในสภาพเช่นนั้นมันก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมเรื่อยไปมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าอดดึกไม่ได้ว่าข้าพเจ้าควรจะทํางานอย่างใดดีดพอดูงานเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ละความชั่วดังที่ข้าพเจ้าเคยทําในโลกมนุษย์นั้นจะไม่มีความจําเป็นต้องกระทําอีกแล้วในโลกนี้เพื่อนของข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า ยังมีเวลาที่จะคิดอีกมากนักในขณะ น, นี้ข้าพเจ้าควรจะพักผ่อนเสียก่อนแล้วจึงค่อยเที่ยวสำรวจดูความเป็นไปในโลกนี้ต่อไปซึ่งข้าพเจ้าจะต้องได้รับความประหลาดใจอย่างคาดไม่ถึงอีกมากมายนักนอกจากนั้นยังมีมิตรสหายเก่าๆอีกหลายท่านผู้กำลังจะคอยพบข้าพเจ้าอยู่หลังจากที่ได้จากกันมาเป็นเวลานานดังนั้น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 ที่แตกต่างกันมีอยู่สองประการคือส่วนใดที่ก็พเจ้าเคยคิดฝันว่าจะทำให้ดีขึ้นเมื่อคลังอยู่ในโลกมนุษย์แต่ยังทาไม่ได้ด้วยเหตุขัดข้องต่างๆเช่นเรื่องเงินเป็นต้นนั้นบนัดนี้ส่วนที่คิดฝันไว้นั้นมีปรากฏอยู่ในบ้านหลังนี้ตรงตามที่คิดฝันไว้ทุกประการประการที่สองคือส่วนประกอบของบ้านบางประการที่เป็นของจาเป็นสาหรับชาวโลก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 ในบ้านและส่วนประกอบอย่างอื่นก็ยังมาปรากฏอยู่ณที่นี้ได้แล้วฉะไหนหนังสือจึงจะมาอยู่ด้วยไม่ได้เมื่อพิจารณาดูต่อไปก็เห็นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับโลกทิพย์ที่ข้าพเจ้าได้เคยแต่งไว้ในโลกมนุษย์อยู่ด้วยตอนนี้เองที่ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งในการที่ได้เขียนสิ่งซึ่งผิดไปจากความจริงอย่างมากมาเช่นนั้นเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าหนังสือเล่มนี้ของข้าพเจ้า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 เมื่อคลั่งยังอยู่ในโลกมนุษย์เราอาจเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือมีคนรักมากก็จริงแต่เมื่อเราละมาสู่โลกทิพนี้แล้วชาวโลกมนุษย์จะถือเป็นมั่นเป็นหมอว่าเราได้ตายจากเขาไปแล้วทุกประการนับแต่นั้นไปความรักนับถือและความทรงจําที่มีอยู่ต่อเราจะค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยจนกระทั่งเหลืออยู่แต่ชื่อเท่านั้นเองแม้ว่าบัดนี้เราชาวโลกทิพ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 เพราะในระหว่างนี้ยังมีเรื่องที่ข้าพเจ้าจะต้องพบเห็นและกระทำอีกหลายอย่างซึ่งเมื่อข้าพเจ้าคุ้นเคยต่อสภาว่าความเป็นอยู่ของโลกทิปนี้มากขึ้นแล้ว mm. ก็อาจจะค้นพบวิธีติดต่อกับชาวโลกมนุษย์ให้ได้ผลยิ่งขึ้นกว่านี้ก็ได้ในขณะนี้ข้าพเจ้าควรจะได้รับการพักผ่อนใช้ชั่วคราวก่อนตามลาพังเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกสดชื่นสบายดีแล้ว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 ขนาดนี้เองข้าพเจ้าก็นึกถึงการนัดของเอ็ดวินขึ้นมาได้จึงส่งความรู้สึกไปถึงเข้าทันทีซึ่งในเวลาประมาณสองหรือสามนาทีข้าพเจ้าก็ได้รับความตื่นเต้นอย่างยิ่งที่เห็นเขาเดินเข้าประตูมาในทันใดท่าทางตื่นเต้นของข้าพเจ้าคงจะหน้าขำอยู่ไม่น้อยเพราะปรากฏว่าเขาหัวเราะออกมาอย่างเต็มที่เอ็ดวินได้อธิบายข้าพเจ้าฟังว่าเรื่องเช่นนี้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 กล่าวอีกในหนึ่งก็คือยิ่งเราอยู่หน้าที่นี้ไปนานๆได้นนมีภูมิธรรมสูงขึ้นเราก็จะหนุ่มขึ้นทุกทีชายผู้นี้ได้นำเราเข้าไปในสวนพลไม้ของเขาและได้เด็ดผลไม้มาให้ข้าพเจ้าผลหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายๆกับลูกพลับแล้วทั้งสองท่านก็พากันมองดูข้าพเจ้ารับประทานผลไม้นี้อย่างขบขันเมื่อข้าพเจ้าบีผลไม้ออก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 เราสามารถจะอ่านจิตใจของผู้หนึ่งผู้ใดได้ทันทีว่าเขาต้องการอยู่แต่ลําพังผู้เดียวหรือว่ากำลังต้องการผู้สนทนาด้วยสุภาพสตรีผู้นี้เป็นผู้ที่เพิ่งมาสู่โลกลิปนี้เช่นเดียวกับข้าพเจ้าเหมือนกันเธอได้บอกกับเราว่าเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์เธอเป็นผู้ที่มีเพื่อนฝูงน้อยมากแต่เธอก็ไม่เคยนิ่งดูดาย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 จะมีการพัดตกน้ำไปได้โดยอุบัติเหตุเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์ทางนี้เพราะการเคลื่อนไหวทุกประการของกายทิพย์อยู่ในอำนาจของจิตใจโดยตรงและโดยสมบูรณ์ดังนั้นตราบใดที่เรายังไม่ปรารถนาจะลงไปในน้ำก็จะไม่มีการตกน้ำลงไปได้เป็นเด็ดขาดเราเดินมาด้วยกันได้สักพักหนึ่งก็มาถึงโบส ท, ที่ได้ตั้งใจว่าจะมาดูเมื่อก่อนแล้วโบสนี้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 เช่นเขม่าควันหรือฝุ่นละอองที่จะทำให้แลดูเก่าไปได้สิ่งประจำโบสถ์หรือวัดที่ขาดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือป่าชาที่ฝังศพซึ่งในที่นี้คงไม่จำเป็นจะต้องกล่าวก็ได้ว่าสถานที่เช่นนั้นหาประโยชน์มิได้โดยสิ้นเชิงข้างๆประตูใหญ่มีกระดานป้ายแผ่นหนึ่งแขวนไว้ทำนองเดียวกับบวถทั่วๆไปในโลกมนุษย์ที่กระดานป้ายก็มีประกาศติดไว้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 ในที่นี้มีแต่กลางวันอยู่ตลอดเวลาผู้ที่อยู่ในที่นี้จะไม่รู้สึกเลยว่าเวลาได้ล่วงไปเท่าใดร่างกายของเราไม่มีการแก่สุดโศมจิตใจก็ไม่มีการมึนงงหรือเฉื่อยชาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าพระสงค์ต้องการจะเรียกคนมาฟังเทศเมื่อใดก็ส่งกระแสจิตไปเรียกสัตบปรุษของท่านได้โดยทันทีไม่ต้องมีการสั่นกระดิ่งหรือตีระฆัง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 รูซึ่งเป็นชื่อของสุภาพสตรีผู้นี้ก็เหลือไปเห็นตึกใหญ่ระโหฐานหลังหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ภายในบริเวณซึ่งมีพุ่มไม้ขึ้นเรียงรายอยู่โดยรอบเอ็ดวินได้กล่าวว่าสถานที่นี้คือที่พักผ่อนหรือพักฟื้นสำหรับดวงมิญญาณของผู้ที่มาสู่โลกทิพนี้โดยประสบมรณกรรมอันรุนแรงหรือโดยได้รับการป่วยไข้ามาเป็นเวลานานซึ่งเป็นผลทาให้จิตใจ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 ตึกหลังนี้มีสามชั้นและเปิดถวงออกทุกด้านกล่าวคือไม่มีหน้าต่างดังเช่นตึกทั้งหลายในโลกมนุษย์เลยรูปร่างลักษณะภายนอกของตึกดูปรากฏเป็นสีขาวสะอาดแต่เบื้องบนของตึกนี้เราได้เห็นลำแสงสีน้ำเงินพวยพุ่งลงมาจากเบื้องบนและโอบล้อมตึกนี้ไว้โดยรอบซึ่งทำให้เกิดการกลมกลืนระหว่างสีทั้งสอง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 ก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวตึกเข้าไปเจ้าได้สังเกตเห็นบุคคลกลุ่มหนึ่งนั่งบ้างยืนบ้างและเดินไปมาบ้างอยู่ที่สนามหญ้าโดยรอบตึกนี้บุคคลเหล่านี้ก็คือเพื่อนหรือญาติของวิญญาณซึ่งผ่านเข้ามาสู่โลกนี้และกำลังได้รับการรักษาอยู่ในตึกนี้นั่นเองอันที่จริงบุคคลเหล่านี้สามารถจะมาสู่ที่นี้ได้ ในทันทีที่นายแพทย์หรือผู้พยาบาลต้องการจะแจ้งให้ทราบว่าเพื่อนหรือญาติของคนคนนั้นได้ตื่นแล้วและกำลังรอคอยใกล้จะพบอยู่ทางนี้ด้วยเหตุดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วคือณที่นี้เราสามารถส่งกระแสจิตไปเรียกกันได้ถึงตัวทันทีและผู้ที่ถูกเรียกก็สามารถจะมาได้ในทันทีเหมือนกันแต่เนื่องจากความเคยชินในโลกมนุษนั่นเอง